วันนนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งตั้งแต่เริ่มท่านในอมเภอ ก, กล่าวรายงานก็มีเหตุผลพร้อมอยู่ในนั้นแล้วก็ท่านผู้ท่านรองผู้วารัชการจังหวัดกล่าวซ้าอีกย้าอีกก็ล้วนแล้วจะเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่ง สำหรับคณะญายาทโยมลูกหลานที่มาร่วมงานทุกหมู่เหล่าการมาร่วมงานในครั้งนี้ก็เหมือนปีนก่อนๆเพราะด้วยความรักเคารพในคุณแม่ของพวกเราเพราะคุณแม่ชีแก้วท่านเป็นชีแต่ว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติท่านบวช ท่านได้ปฏิบัติได้ฟังพระธรรมเทศนาจากองคหลวงปู่มั่นถือว่าเป็นต้นกําเนิดของพระกรรมฐานจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นชียกหลังต่อมาท่านก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาขององค์หลวงตามหาบัวญนัสมปันโนที่เป็นอาจารย์ที่ให้ธรรมะสําหรับคุณแม่ชีแก้วจากนั้นท่านก็ได้ปฏิบัติตามแนวธรรมคําสอนขององค์หลวงตามหาบัว จนได้วันหนึ่งท่านก็ได้สำเร็จหรือว่าได้สมความมุ่งมา่ปราถนาที่ท่านตั้งใจในเมื่อท่านหมดความสงสัยในธรรมท่านก็ได้กราบเปลี่ยนองค์หลวงตาองค์หลวงตามหาบัวท่านก็ยอมรับว่านี่การปฏิบัติธรรมของคุณแม่ชีแก้วที่ดำเนินมาตามมรรค มักคาหรือว่าเดินตามมักตามผลตามแนวแถวที่ได้ปฏิบัติมาตามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พาดำเนินมานั้นเดินมาทางที่ถูกต้องแล้วถึงที่สุดแล้วหลวงตามหาบัวท่านก็เลยรับรองว่าเราการปฏิบัติของเราเป็นอย่างไรคุณแม่ชีแก้วก็ปฏิบัติเป็นอย่างที่เราได้พบได้เจอได้เห็นเราเป็นอย่างไร คุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นอันนี้แค่ๆว่าธรรมะขั้นสูงหลวงตามหาบัวท่านก็ยอมรับว่าธรรมะของคุณแม่นิดถึงมักถึงผลแล้วหมดเนี่ที่จะเดินต่อไปแล้วถ้าหากว่าพูดตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ว่าเป็นพระอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาอีกแล้วจบแล้วบริบูรณ์แล้ว พระเสกขาดคือพระที่ยังต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้จะต้องปฏิบัติต่อไปนั้นเรียกว่าพระเสขะส่วนพระอาเสขะอเสกขาดพวกไม่ต้องศึกษาจบแล้วพวกเราเรียนปริญญาเอกก็ยังมีเอกหลายแขนงเอลเพยยังมีแขนงนั้นก็ยังมีปรเฟสเซอร์อีกแต่นี้ ในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าเอกแล้วก็จบไม่มีอะไรจะเรียนอีกแล้วเพราะเรียนรู้ทางใจเพราะฉะนั้นคุณแม่จีแก้วท่านเรียนเรียนจบเป็นอเสขะบุคคลแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็ได้ฟังฟัง่แตบางคนก็เชื่อบักบางคนก็ไม่เชื่อเพราะว่าเราก็ยังเป็นปุตุชนอยู่จะให้เชื่อทุกอย่างก็อย่างนั้นก็คงเป็นไปไม่ได้ แลวจะปฏิเสธเฉยๆบอกอย่างนั้นก็คงจะไม่ไม่เช่นนั้นเหมือนกันแต่เราก็ดูฟังแต่พอปี2 5 0 0้าสคุณแม่ก็ได้จากไปพอนั้นต่อมาไม่นานอธิษฐานของคุณแม่ก็ได้กลายเป็นเม็ดแก้วขึ้นมาหรือว่าเป็นเม็ดใสขึ้นมาที่ที่เราเก็บกระดูกของท่านใส่ในกล่องใส่ในตรับเพื่อเอากบบาวไหว้บูชา ก็ถือว่าลงตามหาบัวรับรองว่าเราเป็นยังไงคุณแม่ชีแก้วเป็นอย่างนั้นอันนี้เราก็เก็บหรือว่าเอามาบูชาสักการะบูชาอีกไม่นานกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเพราะฉะนั้นพวกเราจึงเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติธรรมของคุณแม่ชีแก้วที่ลงตามหาบัวรับรองนั้นเป็นความจริงเพราะฉะนั้นเราจึง หลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์เรื่อว่ารู้จักมักคุ้นดันตั้งแต่ตั้งครัวศกท่านบอกว่าตั้งแต่ก่อนเกิดตั้งแต่ก่อนเกิดเกิดมากับคุณแม่ก็ตั้งชื่อให้เพราะฉนั้นหลวงพ่อเองก็ติดตามคุณแม่หรือว่าครูบาอาจารย์สายนี่มาตลอดคณะสัตยาญาติโยมที่ม า, ม า, ม, ามาใหม่ก็คงอยากจะทราบว่าหลวงพ่ออินนี่มาจากไหน หลวงพ่อเนี่ยเป็นชาวมุกดาหารอย่างที่โคศกได้พูดเกิดที่ตีนเขาปูเจาก่อวัดปูเจาก้อหลวงปู่ล่าจากนั้นหลวงพ่อได้เรียนจบประถมศีอยากนั้นก็ขึ้นไปอยู่ปูเจาก้อกับองค์หลวงปู่ล่าได้บวชเป็นเนรตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อเป็นสัมมเนรและก็อยู่ ก, กับหลวงปู่ล่าเป็นเวลาแปปีเป็นสัมมเนรอยู่แปดปีจากนั้นก็ได้ อุปสมบทเป็นพระในพระพุทธศาสนาปีศ8จากนั้นก็ได้อยู่กับองค์หลวงปู่ล่าหนึ่งพันษาจากนั้นก็มาอยู่กับองค์หลวงปู่จามที่เป็นหลวงอาหลวงปู่จามนี่นคือหลวงอาเป็นพี่เป็นน้องชายของโยมพ่อของหลวงพ่อจากนั้นก็หลวงปูอ่อาหลวงปู่จามท่านก็มาดูแลโยมมารดาของท่านคือโยมยา่าจากนั้นก็ขึ้นไปจังพอโยมยา่า มลณาภาพแล้วที่เป็นแมช่ชีโยมย่าของหลวงปู่จามโยมแม่ของหลวงปู่จามก็เป็นแมช่ชีบวชมาทั้งสากว่าปีท่านก็เรละสังขารจากนั้นเพื่อเมื่อประชุมเพลิงเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงปู่จามก็พานหนีขึ้นไปทางเชียงใหม่เพราะท่านไปอยู่ทางเชียงใหม่ตลอดหลวงปู่จามเลยอยู่ทางเชียงใหม่เป็นเวลาทั้งสากว่าปีจากนั้นท่านก็ญาติพี่น้องก็เห็นว่าท่านลงมาแล้วเห็น รู้จักที่อยู่ของท่านแล้วก็ได้ขึ้นไปนิมนต์ท่านลงมาได้มาอยู่จำบรรษาดิศที่วัดป่าห้วยทรายท่านก็ได้อยู่มาเป็นเวลานมนานทีเดียวนี่แหละคือความเป็นมาของหลวงพ่อจากนั้นหลวงพ่อเองก็ได้ไปอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวแต่แตปี 2,512 จากนั้นก็ได้ไปอยู่จนถึง 2,525 25. หลวงพ่อ เองก็ได้ออกไปจากวัดป่าบ้านตาดไปตั้งสำนักอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยตั้งแต่ปัดณนุน้นตั้งแต่ปี2525 25, จนถึงปันนี้แหละส5 5น้แต่ขณะที่หลวงพ่อไปอยู่ที่นาคำน้อยหลวงพ่อก็ได้บกวนเวียนมาเยี่ยมคุณแม่โดยสม่ำเสมอแล้วก็มากราบองค์หลวงปู่ยามโดยสม่าเสมอมากราบหลวงปูล่ลา แปลว่ามามาทีาทไรก็มากราบหลวงปู่จามมากราบเยี่ยมคุณแม่แล้วก็ไปกราบหลวงองค์องหลวงปู่ล่าทั้งสามพระอาจารย์คืออยู่ในใจของหลวงพ่อตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อหลวงปู่ล่ามรณภาพหลวงพ่อเ อ, เองเป็นประธานในการสร้างเจดีย์ของหลวงปู่ล่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้สร้างเจดีย์หลวงปู่ล่าพอคุณแม่มรณภาพหลวงพ่อก็ตั้งใจอีกเหมือนกันว่าจะต้อง สร้างเจดีย์ของคุณแม่อีกเหมือนกันแต่พอท่านมรณะภาพไปนานอธิธฐานก็ไร้กลายเป็นพระธาตุอย่างที่อาตมาภาพได้เรียนให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมได้รับทราบจากนั้นมาเป็นเวลาสิบกว่าปีถือโอกาสว่าเป็นโอกาสหมอกก็ได้สร้างเจดีย์ของคุณแม่ขึ้นมาแต่พอการสร้างเจดีย์ของคุณแม่หลวงพ่อก็คิดแล้วคิดอีกเหมือนกัน เพราะไม่มีที่ไหนที่จะสร้างเจดีให้แม่ชีแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าในครั้งพุทธการในครั้งพระพุทธเจ้าแม่ชีภิกษุณีก็ได้เป็นพระรหันต์มีมากต่อมากแต่ยุคนี้สมัยนี้ถ้าว่า ม, ยมียังมีผู้ปฏิบัติอยู่มรรคผลนิพพานก็ยังอยู่อย่างเดิมยังคงเส้นคงวาเหมือนกับไฟสมัยก่อนร้อนยุคนี้ก็ร้อนเหมือนตะ ก, กอน สมัยน้ําสมัยก่อนเย็นยุคนี้ก็เย็นอย่างเก่าเพราะฉะนั้นทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท้าว่าผู้ใดประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยแล้วมักผลนิพพานคอยพวกท่านผู้นั้นอยู่เว้นเจ้าเจ้ผู้นั้นไม่แสวงหามักผลคุณนั้นก็คงจะมุกมักผลคงจะจบจากนั้นหลวงพ่อเมื่อคุณแม่ได้จากไปเป็นเวลาสิบปีสิบกว่าปีนิดหน่อยก็มีคุณหมอเพนสีมกรานน ที่ท่านมาอยู่กับคุณแม่ที่แรกคุณหมอเพนสีมาอยู่กับคุณแม่ท่านก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาอยู่เพราะท่านลาออกจากหม อ, อรามาพอลานลาลาออกจากหมอรามาออกมาปฏิบัติธรรมก็มาประจํามาจํามนตราที่วัดป่าบ้านตาดก่อนเพราะท่านออกจากหมอแล้วจากนั้นท่านก็ออกจากวัดป่าบ้านตาดท่านก็ไป ไ, ปไปมามากราบคบาารูบาอาจารย์บ้างจากนั้นคุณแม่แก้วคุณแม่ชีแก้ว ท่านก็ป่วยก็เข้าไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลทางกรุงเทพพอไปรักษาหมอก็บอกว่าคุณแม่คงอายุไม่ยาวเพราะเป็นมะเร็งมะเร็งในปอดอายุองไม่ยาวอย่างมากขึ้นไปนี่ก็จักสามเดือนคุณแม่ก็คงจะจากไปแต่นี่หมอเพ็นศรีก็เห็นว่าอโอกาสอันดีเพียงคุณแม่สามเดือนท่านคงจะจากไปเราก็คงจะไปเอาบุญ กับคุณแม่เพราะเราทราบว่าองค์หลวงตารับรองแล้วว่าคุณแม่เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้สำเร็จมรรคผลเราเชื่อหลวงตาเมื่อเชื่อหลวงตาหลวงตาพูดอย่างไรเราก็มั่นใจว่าคุณแม่ต้องเป็นอย่างที่องค์หลวงตาพูดตอนดี้คุณหมอเพนสีก็เลยมามาดูแลคุณแม่เน่คิดว่าสักสามเดือนคุณแม่ก็คงจะจากไปตอนน้คุณหมอเพนสีก็พยายาม ดูตามหลักวิชาหมอที่ได้เรียนมาดูแลคุณแม่อดีอย่างดีอยากจะให้ท่านได้รับความกระทบกระเทือนทางร่างกายท่านมีไม่สบายอย่างไรคุณหมอก็จัดยายุกยาถวายคุณแม่พอได้สุดคุณแม่อายุถึงมไม่ไปอย่างที่คุณหมอเขาพูดอายุคุณแม่ยืนถึงสิบสี่ปีจากวันนั้น คุณหมอสเปนสีก็ต้องได้อยู่กับคุณแม่ดูแลคุณแม่โดยตลอดออคล้ายๆว่าเชื่อมัน่นคุณหมอยังบอกกับอัตมาภาพว่าดูเอาเครื่องฟังปอดของคุณแม่ปอดซ้ายขวาปอดข้างหนึ่งตายสนิทคล้ายๆว่าไม่ทำงานเลยเไม่สูบลมเลยปอดข้างหนึ่งแต่ข้างหนึ่งมีลมน้อยมากคุณแม่อยู่ได้อย่างไร อันนี้ก็คือคุณหมอเช่นเพนสีแปลกใจคุณคนแม่อยู่ได้อย่างไรพราะปอดข้างหนึ่งหายไปแล้วเงียบแต่ปอดข้างหนึ่งยังหายใจนิดหน่อยแต่คุณแม่อยู่ได้อย่างไรอันนี้ท่านก็ดูแลคุณแม่เป็นเวลาถึงสิบสี่ปีในขั้นก็ซึง้งในธรรมะทางด้านจิตใจที่ท่านก็รักเคารพคุณแม่อย่างสุดซึง้งที่เห็นปฏิปทาของคุณแม่ที่อยู่กับคุณแม่โดยตลอด ทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งกลางค่ำกลางคืนการแสดงอับกับกิริยาอย่างไรคุณหมอก็มีแต่ความรักเคารพในองค์ในคุณแม่จากนั้นพอคุณแม่ร่วงรับดับคันไปท่านก็กลับลงไปกรุงเทพพอกลับไปแล้วท่านก็ได้ทุนได้ทุนมรดกของท่านท่านก็บอกกับอัตมาภาพว่ามีทุนแล้วท่านจะถวายสร้างเจดีย์คุณแม่ท่านก็ถวายมาเลยสิล้าน สิหล้านอาตมาก็เออได้ทุนแล้วถึงเอ่จากนั้นอาตมาก็ดําเนินการกับคณะในช่างรถไฟถึงสร้างเจดีย์ขึ้นมาแต่ในการสร้างเจดีย์นี้อาตมาก็ภาพก็ยังคิดอย่างที่อาตมาได้ภาพในคิดว่าเอะการสร้างเจดีย์ให้แม่ชีเนี่ยศรทยัทธาญาติโยมบางคนก็คงจะคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอย่างไรเแต่อาตมาก็มั่นใจว่าคุณแม่ชีแก้วเป็นผู้บริสุทธิ์เอ่ หลักฐานก็คืออัธิธฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเราก็มั่นใจว่านี่คือกระดูกของพระรหัต์เพราะฉะนั้นจึงได้ตัดสินใจพร้อมกับคณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกโมู่เหล่าได้สร้างเจดีย์ขึ้นมาเพื่อเป็นที่กราบไหว้สักการบูชาของพวกเราท่านทั้งหลายหลวงพ่อยังบอกว่าคณะสัตยาญาติโยมทั้งหลายเน้อถ้าใครมากราบเจดีย์ของคุณแม่จีแก้ว ถ้าเรามีทุกข์ใจเราไม่สบายใจเราเรามีทุกข์ใจเราจะมาขอพรจากคุณแม่ให้พากันมาขอพรจากคุณแม่ได้เนะเพราะบุญบารมีของคุณแม่ที่ท่านสั่งสมมามากจนได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยมทางด้านจิตใจแล้วคุณแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะของ่ายเหมือนกับเราขอเงินกับแม่อย่างนั้นะ่ะแม่แม่คุณแม่ อผมขอเงินไปซื้อขอนม่ะหรอเลยขอเงินไปซื้อสิ่งของมาใช้นะคุณแม่คุณแม่จะท่าท่าดุซะก่อนแต่ผลที่สุดท่านก็ให้นะไม่เหมือนพ่อนะถ้าพ่อเนี่ยท้าว่าหะเสร็เดียวเสร็จเดีวราก็เปิดแหนบแล้วเพราะนั้นแม่นี่มีเมตตาต่อลูกโลกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเอ่จะมามีใครมีไม่สบายใจสิ่งใดก็ขอให้มาตั้งจิตอธิษฐานขอพรจากคุณแม่ ถ้าไม่เหลือบากว่าแรงจริงคุณแม่จะประสิทธิ์ประสาทศิลและธรรมศิ น, นให้สินให้พรแก่พวกเราท่านทั้งหลายจะประสบสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาเนี่ยอันนี้ก็หลวงพ่อก็เคยพูดนี่ยตะก่อนตะกอ่ะกอนเหมือนกันเมื่อท่านยังมีชีวิตอยอู่พวกเราท่านทั้งหลายก็มากราบมาไหว้ขอพอรจากคุณแม่คุณแม่ให้สินให้พรให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายบัดนี้ก็ ปีหนึ่งที่คุณแม่จากไปเป็นเวล า, ปวลา21ปีแต่ว่าคุณธรรมศีลธรรมของคุณแม่ก็ยังอยู่ในใจในจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเพราะว่าพวกเราท่านทั้งหลายก็ได้อ่านประวัติของคุณแม่คุณแม่แนะนำสั่งสอนอย่างไรพวกเราก็ได้นำทำคำสอนของคุณแม่มานำมาประพฤติปฏิบัติก็ยังเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะทำคำสอนของคุณแม่เป็นปัจจุบันทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วท่านคุณแม่บอกว่าอย่าทำนะความชั่วทำความชั่วเข้าไปแล้วจะเดือดร้อนตนเองและผู้เกี่ยวข้องวันนั้นให้ทำแต่คุณงามความดีคิดดีทำดีพูดดีพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจตลอดไปวันนั้นการกล่าวสโมโดธนียกถาในวันนี้ก็เห็นว่าส้มควรกับการเวลา ด้วยอำนาจคุณพระ ศ, ศีรัตนาตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยอานิสงส์บุญบา ร, รมีของคุณแม่และบนด้วยอานิสงส์บุญบา ร, รมีของหลวงตามหาบัวและบุญบา ร, รมีของหลวงปู่จามหาปุญโญและบุญบา ร, รมีของปู่ล่าเขมะปัตโตขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบขอบเขตของศีลธรรมก็ขอให้สมหวัง ดังปราถนาทุกประการเทินถูก